ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประภติยานกำลังประรบพุทธอุทานตอนที่ผู้เจ้าเสด็จประทับอยู่นะต้นจิกชื่อวมจิลินก็หลังจากครบจดวันแล้วก็ทรงเปล่งประพุทธอุทานได้กล่าวขยายความไปสองช่วง คือช่วงที่ว่าความสงัดเป็นสุขของบุคคลผู้สันโดษมีทำปรากฏแล้วเห็นอยู่ในข้อต่อไปคือถือว่าเป็นโลกกระทัดที่ชัดเจนมากที่เคยบอกไวใ้ในวันก่อนว่าก็คงจะสวดดูสัตว์โลกด้วยที่ประจักษ์สุขแล้วก็เห็นความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาของสัตว์โลก มีเบียดเบียนกันมีการประทุษร้ายกันอย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตให้ท่านสาธุชนทั้งหลายลองสังเกตดูว่าสัตว์โลกนี้มันมีวิหิงสาคือความเบียดเบียนเป็นธาตุเลยคือธา ต, ตุแล้วก็มีฤทิษยาก็เป็นธาตุเพราะฉะนั้นเวลาใครดีใครเด่นใครดังขึ้นมามันจะแสดงความฤทธิษยาแล้วก็จะเบียดเบียน ทำลายล้างกันผู้เจ้าทรงเปล่งพระพุทธูตธานโดยสรุปว่าบยาปชังสุ ข, ขัางโลเกปานาปูเตสุสัญญโมคืออาจจะพูดระดับสังคมก็ได้นะว่าการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนกันคือสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายเป็นความถุกในโลก ผลตัวการไม่เด็ดเบียนเนี่ยมันเป็นเหตุแล้วแสดงอาการที่เห็นก็คือการสมบรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายตัวผลก็คือความสุขเพราะเราจะเห็นว่าตัวไม่เบ็ดเบียนก็คือเป็นมรรคอีกและแต่เป็นมรรคที่เมื่อกล่าวโดยอาการก็คืออาการของศีล แต่แกศสมาวิจาสมากรรมตะสมาชีวะแต่ว่าเกิดขึ้นมาจากจิตที่ดำริชอบจะเรียกว่าสัมมาสังกปะคือความดำริชอบในข้อที่เรียกว่าอภิยาปาดสังกปะคือดำริในการไม่ิดเปลี่ยนอวิิงสาสังกปะคือดำริในการไม่พยาบามและดำริในการไม่เบียเบียนก็คือกัน เพราะถ้เรามองเนื้อหาหลักในแง่ของสังคมคือของพระพุทธเจ้านั้นไปไปถึงกรุณาไปแล้วนะครับคือเป็นกรุณามหาณูโวไปแล้วเพราะว่าทรงมองสัตว์โลกด้วยความการุณาเพียงประการเดียวเพราะว่าในสายเปรตของพระพุทธเจ้านี่สรรพชีวิตทั้งหลายไม่ว่าใครก็ตามนะฮะยกเว้นพระอราหารันต ก็ถือว่ายังอยู่ในห่วงของความทุกข์อย่างน้อยก็ทุกข์ในสังสารวัฏอย่างเช่นพระนาคามีในเราถือว่าผู้ที่ท่องเที่ยวในสังสารวัฏที่สูงสุดก็คือพระนาคามีแต่ท่านก็ยังต้องบังเกิดในสุดทาวาสซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์แต่ในแง่ของสังสารวัฏแล้วท่านก็ต้องไม่เกิด เกิดกระชาติปีทุกขาคือชาติความเกิดก็เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าทรงมองสัตว์โลกด้วยความกรุณาอย่างที่ท่านเรียบเรียงไว้เป็นคำบทสวดมนต์ทางวัดเช้านะฮะในข้อที่ว่าพุทโธสุสุโธกรุณามาณโวแปลว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ทรงบริสุทธิ์หมดจด จะทรงมีพระมหากุณาดุจท่วงทะเลหลวงหรือท่วงมหนันดรบเป็นที่พึ่งพมนักอิงอาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะความไม่พยาบาทเนี่ยมันเป็นการมองคนอื่นสัตว์อื่นอย่าลืมว่าความพยาบาทเนี่ยโดยปกติมันก็เกิดแก่คนแก่สัตว์นะแต่ว่าถ้าสภาพจิตเราไม่ค่อยปกติก็ไม่แน่เหมือนกัน อาจจะพยาบาทแม่สิ่งไม่มีชีวิตให้เราสังเกตว่าความโกรธบางอย่างในฝนตกเราก็โกรธแดดออกเราก็โกรธลมพัดออกก็โกรธเดินสะดุดตอไม้เดินสะดุดก้อนอิดก้อนหินเราก็รกรก้อนอิดก้อนหินน แ, แสดงว่าใจไม่ปกติเอามากๆแต่ตามปกติแล้วพยาบาทจะเกิดในสัตว์ในคนในสัตว์คือในสิ่งมีชีวิต แต่ท้งนี้ท้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพจิตของคนว่าคุณภาพจิตของเขาเป็นยังไงบ้างประวันเป็นอาการสืบเนื่องมาจากโกตะคือความโกรธหรืออารติความไม่พอใจหรือโทสะความบัตุสรารอุปนหะความโกโกรธเป็นต้นเนี่ยมันเป็นตะกรเหลืออยู่ก็กลายเป็นความอาฆาตหรือพยาบาทเป็นอาการผูกใจเจ็บแต่มุ่งที่จะโต้อตอบทาลายล้าง ลักษณะของความคิดที่เป็นพยาบาทเนี่ยมันจะเป็นความคิดสายโดยการมองคนอื่นสัตว์อื่นในรูปของเป็นศัตรูที่ตัวเองจะต้องทำลายล้าง่านเรียกสภาพจิตรตรงนี้ว่าอาคาตวัตถุคือเป็นวัตถุเป็นที่ตั้งของความอาคาตพยาบาทหมายความกระแสจิตมันสายออกไปในเก้าลักษณะด้วยกัน แล้วเราจะเห็นถึงว่ามันเป็นความบกพร่องในด้านเหตุผลสติปัญญาอยู่ด้วยเพราะไรเพราะมันสืบเนื่องมาจากอวิชาก็เข้าปัจจัยาการข้อสายเกิดอีกนะจากการไม่มีเหตุผลดังนั้นการความพยาบาทจึงกระจายออกไปโดยใจความก็คือผูกความอาฆาตว่าคนนี้ได้เคยทำอันตรายต่อเราออมา คนนี้ได้เคยทําอันตรายต่อญาติมิตรของเรามาหรือคนคนนี้ได้ทําสิ่งที่ประโยชน์กึ่งกูลต่อศัตรูของเราเห็นไหมว่ามันมันมีความเป็นพานสูงมากเลยเวลาเขาทําความดีถ้าไม่ทํำความดีกับเราเนี่ยเราก็ไม่ชอบจึ่งไปทําความดีกับคนที่เราไม่ชอบแล้วก็ยิ่งไม่ชอบเขาเขาเรียกว่าเป็นความโกรธที่เกิดจากความโกรธ สภาพเหล่านี้มีปัญหาในแง่สังคมนี่มากเราลองสังเกตว่าในชุมชนเล็กๆแม้แต่อยู่ห้องแถวใกล้เคียงกันคือบางครั้งผู้ใหญ่ในบ้านนั้นแหละทะเลาะ ก, กันแล้วก็อาฆาตพยาบาท ด, ด้วยกันเด็กๆซึ่งเคยเป็นเพื่อนเคยเล่นกันไม่ประสีภาษาไร้เดียงสาพ่อแม่ก็ต้องบังคับให้ต้องโกรธกระชั้นด้วย เมื่อฉันโกรธใครในเอือต้องโกรธก็ฉัน้วยแล้วก็ไปสร้างโรคพยาบาทขึ้นภายในใจของเด็กเด็กแทนที่จะแช่มชื่นเบิกบานสนุกสนานตรรมศาของเด็กก็เล่นกันไม่ได้รบกันไม่ได้แล้วในที่สุดตัวเองก็ตายนะพ่อแม่ก็ตาย เด็กแทนที่จะมีเพื่อนบ้านกล้เรือนเคียงที่เห็น อ, อกเห็นใจกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยมันก็ไม่มีนันมาเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากความคิดว่าคนเราเนี้ยกำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราแม้แต่ลูกของเราเราก็โกรธได้นะพ่อแม่ของเราไปดีกับคนที่เป็นศัตรูเราเราก็โกรธได้เราผ่านออกามากนะไม่จะเล่นแล้วบางครั้งก็ปรารบเพจในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่เราก็คิดเอาเองอย่ามีคราวหนึ่งกันดูข่าวซุดงพิมว่าเป็นทหารชั้นประทวนนะฮะไปอยู่ในหอด้วยกันแล้วตื่นสายลงมาเ็าเพื่อนเขาก็รับประทานอาหารกันแล้วแล้ว ก, ก็คุยกันอยู่นะฮะแล้วในขณะที่เขาเดินลงมาเนี่ย ก็ได้จังหวะที่พวกเขาคุยกันหัวเราะ ก, กันพอดีหากันตึงเลยเวยก็ลงมาตามก็มองเขามีความรู้สึกว่าเขาถูกัวร่อยอดในขณะที่ในฐานะที่นอนตื่นสายโกรธกนโดดเดืเลยนั่นคือลักษณะของอารมณ์ที่เราปรุงขึ้นเองเราคิดเราเองวันก่อนเขาเอาอะไรอ่ะรายการฆาตกรเด็ก อาเจกอนเด็กหรือค่าตาอาเจกอนเด็กนะฮะค่าเด็กเล็กๆกอายุสองขวบกว่ากว่ากับสี่สิบขวบกว่ากว่านะฮะตัวเองก็เป็นตัวโตอายุมากแล้วก็สิบห้าสิบหกไปแล้วค่าต่อกันไปได้ทั้งสองคนแล้วก็ได้ยินเสียงถามนะฮะเสียงผู้หญิงถามว่าเมื่อค่าน้องเขาแล้วซึ่งสองขวบกันเองนะ แล้วทำไมไปฆ่าพี่เขาอีกพี่เขาหนีแกบอกว่ากลัวว่าพี่เขาเนี่ยจะไปบอกคนอื่นว่าน้องแกถูกฆ่าตายเลยมันเป็นลักษณะของการตัดสินตัาเองแล้วว่ากันตามความเป็นจริงเนี่ยคนหายไปคนหนึ่งหนึ่งยังไงยังไงเนี่ยเขาก็ต้องถามหาแล้วก็หายไปกับเธอเองเนะฮะเธอก็ต้องรับผิดชอบคือบอกไม่บอกเนี่ยมันก็ต้องรู้แต่ว่าเป็นความคิด เป็นความคิดของเด็กมันขาดวุทธิภาวะแกบอกว่าทะย่อนเวลาไปได้เนี่ยแกคงไม่ทําเช่นนั้นแต่ความคิดตรงนั้นมันคิดเมื่อยุมันมากขึ้นแล้วมันไม่ใช่คิดตอนเป็นเด็กนั้นความอาฆาตพยาบาทในแนวเนี้ยมันจึงขาดวุทธิภาวะคือขาดเหตุผลขาดสติปัญญาก็ไปคาดหมายเอาไปคิดเอา ว่าคนนี้กําลังทําอันตรายต่อเราคนนี้กําลังทําอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราซึ่งเขาทําหรือไม่ทําเนี่ยมันเลยไม่มีความอะไรชัดเจนเลยเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตใจที่อ่อนไหวนั้นจะเชื่อข่าวต่างๆจะเป็นบุคคลที่น่ากลัวนะแต่ถ้าอยู่เป็นผู้ใหญ่แล้วน่าสยองเลยคนอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าท่านจะไม่รับผิดชอบอะไรเลย เจ่นสมนตั้งานสังให้ทำงานอะไรแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงเนี่ยพอเสร็จแล้วถ้าเกิดพลาดขึ้นมาเนี่ยท่านไม่รับผิดชอบเราก็ตายนั้นก็คือใจมันที่จริงก็เป็นโทษะนั่นแหละแต่ว่าไม่มีเหตุผลแล้วถ้ามากมากยิ่งขึ้นมันก็ยิงย่งไม่มีเหตุผลมากยิ่งขึ้นจนถึงกับไป คาดพยาบาทว่าคนนี้กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสจูเราไปทำประโยชน์กับคนทึ่งเราไม่ชอบก็ไม่ได้เห็นไหมเป็นลักษณะความคิดประเด็ดการมากความโทสะนี่มันมีประเด็ดการมากวันไม่เหตุผลอะไรแล้วบางครั้งบางคราวนี่เรื่องไม่กระทบเราโดยตรงแต่ก็หาเรื่องให้มากระทบ ในแนวของความเบียดเบียนนั่นเองคือพยาบาทกับเบียดเบียนเนี่ยที่จริงก็ใกล้เคียงกันนะเพราะว่าผู้พยาบาทก็แก้ด้วยเมตตานะะเบียดเบียนก็แก้ด้วยกรุณาเมตตากรุณาเขาใกล้กันแล้วก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสลายไอ้ความเมตตานี่ที่จริงก็สลายความพยาบาทได้ไม่ใช่ความความการุณานะฮะก็สลายความพยาบาทได้ เกู่ถ้าใจเรากรุณาเราก็คงไม่พยาบาทเขาแล้วบางครั้งบางคราวเนี่ยมันไปตั้งสารเตี้ยขึ้นมาตัดสินเองเป็นการอนุมานเป็นการคาดหมายเป็นการประมาณการเอาว่าต่อไปคนนี้จะเป็นอันตรายต่อเราต่อไปคนนี้จะเป็นอันอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นประโยชน์ก็คุลต่อศัตรูเรา แนวการค้าปิดปากทั้งหลายนะครับซึ่งถ้าเรามองความคิดขังคมโดยเฉพาะการลงข่าวบุคคลในองคอ์กรในสถาบันไม่ว่าอะไรก็ตามนักการเมืองก็ดีตำรวจก็ดีทหารก็ดีครู ก, ก็ดีพระก็กดีแพทย์พยาบาลก็ดีเนี่ยเวลาลงข่าวถวนดีนั้นเขาจะพูดเฉพาะบุคคลแต่ลงข่าวไม่ดีจะตีกราดไปเลย เจนัวพระเกิดไปทําไม่ดีขึ้นมาสักอง์หนึ่งบอกพระเดี๋ยวนี้เป็นอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นแล้วก็เพิ่มตัวเลขขึ้นมาเรื่อยๆไม่รับผิดชอบอะไรเลยคือถ้าเรารู้ตัวเลขเนี่ยก็รายงานมาเลยไปพิสูจน์กันเลยไปส่งให้เจ้าคณะต้นสังกัดดําเนินการต่อไปแต่ตัวเลขเนี่ยที่จริงมันทําลายทําลายองค์กรคณะบุคคลเหล่านั้น ทาให้คนอื่นคล่องใจสงสยัยระแวงว่าเอออูนี้ด้วยหรือเปล่านี้ด้วยหรือเปล่านี้ด้วยหรือเปล่าคนนี้ด้วยหรือเปล่านั่น่ะไ ร, ไรมันทําลายสถาบันและในสุดมันเกิดวิกฤตศรัทธาแต่บางอย่างมก็เสียงอะนะเช่นสมมติว่าแพทย์ทําอะไรไม่ดีคนต้อคนก็ลงแพทย์เป็นผ่าตัดรวมคนก็ขยันเพรกลัวไม่กล้าไปโรงพยาบาล ก็จะเกิดอันตรายจกแพะจากแพเหล่านั้นมันก็แนวเหมือนอะไรนะแนวอาคาตพยาบาทแนวเนี้ยแน ว, นแนวนลงข่าวอย่างนี้ก็เหมือนกันแนะ น, น, น, นําเสนอข่าวเนี่ยนี้มันก็เหมือนสมัยโบราณที่เวลามีใครทําผิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเอาไปฆ่าที่เจ็ดโชคโคตรแสดงว่าไม่เข้าใจกฎของกรรมอะไรเลยนอกจากคนที่ทําผิดเนะี่ยคนอื่นก็ผิดได้อย่างไง เอาพ่อเขามาฆ่าเอาลูกเข้ามาฆ่าเอาเมียเข้ามาฆ่าเอาปู่ย่าตายายเข้ามาฆ่าหมดเลยเจ็ดชัวคนเขาผิดอะไรแต่ลุงประจานไปไปไปฆ่าเขาหมดมันก็นเหมือนกับฆ่าดิสื่อนั่นแหละที่จริงเพียงแต่ว่าฆ่าโดยกันตัดคอมันก็ตายเลยก็ไม่ได้อยู่อภิยศอดสูอะไรต่อสังคมแต่ฆ่ า, าดิสื่อเนี่อันตรายมากกว่าเนี่ยคนผิดคนเดียวล่าคนอื่นมาผิดกันเป็นฝูงเลย จนจีนเนี่ยเราจะเห็นว่ า, าวค่าเจ็ชกอ่าเก้าชกโคตนะฮะจีนเนี่ยเอามาอย่างไหนไมันก็เก้าชกโคตก็กว้านซื้อกันกว้านหากันตลอดนั่นเ่็นความเลวร้ายในสังคมของมนุษยชาติเพราะถ้าเราหยุดตรงนี้ได้หยุดการเบียดเบียนการาคาดประโาชน์กันอย่างนี้ได้โลกมันอยู่ด้วยความสุขความสงบ ตอนที่เรามองในแง่ขององค์ธรรมนะท่านฟังแกสังเกตได้จริงๆมันอยู่ที่ศี่ข้อเดียวนะฮะคือข้อปาณาทิบาตเราจะเน้นเฉพาะชีวิตแต่นั่นเองแล่ในในศีลข้อปานาทิบ า, านน ต, า ต, ตนั่นเอ ง, อาา เ, องเวลาทรงสแสดงในรูปของธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามนะฮะไม่ได้ใช้คำว่าห้ามข่าสัตว์หรืออยากฆ่าสัตว์ไม่ได้ทรงใช้อย่างนั้นแต่ว่าทรงสแสดงว่าคนดีในโลกนี้ หมดเว้นจากปานาติบาทไม่พกพาสราวุธเครื่องประหารทั้งหลายมีความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายมีความเมตตาอินดูในสัตว์ทั้งหลายเห็นไหมพอเดินไปจนถึงจุด น, นั้นพอถึงเมตตาอินดูมันก็จบนะเป็นเมตตาการุณานะก็ไปทำลายได้ทั้งพยาบาทแล้วก็ทำลายได้ทั้งวิหิงสา พนแนวศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยที่จริงเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าเรามองในเชิงที่เป็นรูปแบบมากเกิดไปเราไม่นึกว่าโลกชีวิตเนี่ยจริงมันมีแค่เนี้ท่านมีสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตแต่ถ้าเราไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิต และจนพัฒนาจิตขึ้นไปนะคือในชั้นแรกก็คือสมรวมระวังเวลาเกี่ยวข้องกับคนกับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยคือการพูดหรือการกระทําการทำอะไรกับคนการพูดอะไรถึงคนหรือพูดกับคนถ้าเราถึงความคิดถึงคนเนี่ยถ้าเราคิดด้วยเมตตาได้นะี่ยไม่คิดด้วยความอาฆาตเยาบาัสังคมมันจะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลย ได้เศษกระดาษที่ทําลายป่ามาเป็นป่าป่ามากลายเป็นกระดาษเนี่ยนะฮะก็ไม่น่าจะถูกใช้ไปในทางที่ยุ่ยเกิดความแตกแย ก, กขึ้นภายในสังคมสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นภายในสังคมมันไม่ใช่เลส น, นะฮะทำลายหมดน ะ, ะลองสังเกตเลกระดาษกระดาษที่เอามาพิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์เนี่ยมันทําลายตั้งแต่ธรรมชาติทําลายป่ามาเป็นป่าปานะ่ย เพื่อเอามาทำเป็นกระดาษแล้วกระดาษมันน่าจะถูกใช้ไปในเชิงสร้างสรรค์เพราะว่าธรรมชาติสูญเสียทรัพยากรของตัวเองไปเยอะทรัพยากรของโลกนั้นสูญเสียไปเยอะแล้วกลับมาถูกใช้ไปในทางดีให้เกิดความแตกแยกเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะว่าใจคนมันมีความพยาบาต มีความโกรธมีความไม่พอใจมีความรู้สึกแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาแล้วต้องมุ่งี่จะห้ำหั่นกันทำลายล้างกันเราดูในวงการหนังสือพิมพ์วงการนักการเมืองก็แล้วกันนะฮะเคลอ่อามาเป็นคนสนใจศึกษาประวัติศาสตร์สนใจเรื่องการเมืองไงฮะคือชอบศึกษาในแง่ความคิดกิจกรรมต่างๆของเขาแล้วก็เอามาเป็นเครื่องมือ ในการมองธรรมะเอิทีน่นี้เคยดูการเขียนหัวข้อยติในการอภิปรายนะคับยติคือที่จริงก็เคยอ่านมาเยอะไม่เคยสะดุดเหมือนกับตอนที่อภิปรายรัฐบาลบรรหารอธิบายในบรรหารอภิปรายจนหลงนึกว่าไอ้คนถ้ามีลักษณะอย่างยติเขียนเนี่ยมันไม่ใช่คนอนะ แต่ว่าเขาใช้คำอะไรแต่ไหนค่อ ส, สยองว่าขนาดว่าเราไม่กล้าฟังเลยนมากำลับบงเดินทางไปบรรยายต่างจังหวัดเด็กเปิดวิทยุหน่อยเดียวบอกให้ดับเลยฟังไม่ไหวมันรู้สึกรังเกียจรู้สึกขยะแขยงถึงว่าคำพูดอย่างนี้นี่หรือเสนาบดีในบ้านเนี่ยเมือพูดกันอย่างนี้ลหละแต่นั้นคืออะไรฮะคือมันเกิดจากความแบ่งแยกว่าแพ้ไม่ได้อะ พูดยังไงก็ไม่รู้ทำลายเครดิตให้ปนปี้ยุบยับและสมกายยติที่ตัวเองเสนอกลายเป็นการ อ, อกโครนมาสล้างโครนแล้วเป็นความแปะเปื้อนในใ น, ในหน้าประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งนะเนีราลองไปเอามาดูเดไปลอกเทปมาดูเอ า, เอา เ, อ า, เ, อาเอาเทปสมัยนั้นมาดูเอาที่ก็ผีมาแล้วก็ได้มันหน้าสยดสยองจริง แล้วจนจนจนถึงเวลาเนี้ยเรายัางรู้สึกว่าเออความโมร้ายรุนแรงในหมู่มนุษย์เนี้ยมันเพียงแต่ว่าต้องการจะเป็นใหญ่เสเองไม่ได้คิดว่าชาติบรรพึงจะได้อะไรหละขอให้ฉันได้เป็นก็แล้วกันมีความ ฉ, ฉลาดสามารถอะไรอะไรหรือไม่ก็ไม่รู้แต่ขอให้ได้เป็นเท่านี้อันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก คนพวกนี้จะกีดกันทำลายคนอื่นที่จะมายื่งแย่งความเป็นของเขาแล้วสุดมันก็ละเมิดเห็นไหมไม่สํารวมระวังเวลาเกี่ยวข้องกับคนกษัตริย์ทั้งหลายด่าได้เป็นดา่าประทุษร้ายได้เป็นประทุษร้ายฆ่าได้เป็นฆ่าแล้วมาเคยไปปลายที่ต่างจังหวัดเก่อนที่ไปที่ปัตตา น, นีนี่สอสเข้าไปด้วยนะมาบอกไว้ที่นั้นบอกค่อยดูนะ ก่อนจะถึงกว่านเลือกตั้งเนี่ยจะตายกันไม่น้อยกว่าห้าสิบศพตอนนี้หลายศพแล้วนะหลายศพแล้วยังไม่ประกาศ ร, รับสมัครเลยนั่นคืออะไรคือการยอมไม่ได้แพ้ไม่เป็นแล้วก็ถือว่าคนอื่นมาแย่งของตัวเองทางที่จริงมั น, ม, นมันเหมือนกับการวิ่งแข่งมาราธอน่ะ ก็ต่างคนต่างก็วิ่งแข่งกับตัวเองไม่ได้แข่งกับใครหรอกการสมัครผู้แทนการอะไรแต่จริงๆมันก็คือแข่งกับตัวเองฮะให้ราษฎรมีทางเลือกมีมีคนให้เขาเลือกหลายๆคนเขาวิ่นิสัยเขาเองเราเสนอตัวอธิบายชี้แจงเหตุผลตามที่กรอบของกฎหมายหน่วยให้ก็ เ, เลือกก็เลือกไม่เลือกก็แล้วไป แต่ว่าเราได้แสดงเจีตําำนองแล้วตอนนั้นเด็กนั่นคืออะไรฮะคือหลักการจริงๆแต่เราก็ไม่เข้าถึงหลักการตรงนี้เพราะเรามองแบ่งแยกนะแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาแล้วต้องห้าหั่นกันให้ได้ต้องทำลายฝ่ายหนึ่งให้ได้โกหกหมดเท็ดยังไงก็ไม่รู้ก็สร้างบาปด้วยปากสร้างบาปด้วยใจนี้มากมายเลยกันในขณะเดียวกันเราก็เรียกร้องความสุขมันเกิดขึ้นไม่ได้ เพราะว่าเหตุมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ความมาคาดพยาบาทเป็นเหตุแห่งความทุกข์มันเป็นธรรมุทายสัตว์มันเป็นมิจฉาสังกปะคือเป็นความคิดที่ผิดเมื่อคิดที่ผิดมันก็ทําผิดมันก็พูดผิดก็กลายเป็นการเบียดเบียนประทศไรสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ปัญหาก็คือความทุกข์ก็จะบังเกิดขึ้นติดตามมาแต่นั้นถ้า บรรเทานะยุติบรรเทาความพยาบาท ล, ลงไปได้แล้วก็สมรวมระวังในต่อชีวิตทั้งหลายก็จะเกิดความสุขขึ้นซึ่งให้ลองสังเกตว่าตรงเนี้ยระดับศีลก็ทําได้ละระดับศีลระดักฎหมายนี่ก็ทําได้ละท่านฟังทั้งหลายแต่หวงพระพุทธานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, ง้อ ง, งามไปบูตรในธรรมคือมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทั่วกันสวัสดี